เขาที่เข้าทางนั่งให้สบายที่นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายสบายก็ในั่งนั่งขัดสมาธิไม่สบายนั่งพับเทียบหรือกูนั่งเก้าอี้นั่งพับนั่งนี่ไม่ได้ครับนั่งเก้าอี้ก็นั่ง ทำท่าทางตั้งอกตั้งใจเนีย๋ยทำอกขายไรพึงรวมความรู้คือใจของเราเนี่ยที่เป็นประธานที่เป็นประธานท่ารู้เป็นท่าที่เป็นประธานในกาย ของเราเนี่ยในธาตุหกธาตุหกธาตุดินปฐวีธาตุธาตุน้ำหรืออาโปธาตุธาตุลมวายโยธาธาตุไฟเตโชธาตุธาตุช่องว่างๆเรียกว่าอากาศธาตุแล้วว่าธาตุรู คือวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุแยกออกเป็นธาตุย่อยในวิญญาณความรับรู้ในขันห้าแต่ความรู้ที่เป็นปฐมวจิตปฐมวิญญาณหรือเป็นปฐมธาตุ น, นั้นคือใจความรู้รู้ที่รวมอยู่ทั้ง ร่างกายของเรานี่แหละหรืออุปมามอย่างหนึ่งก็ว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นภาชนะที่รองรับใจคือความรู้ท่ารู้นี่เรียกว่าทาาหกที่ท่านบอกไว้ท่าสีทานหกรวมกันรวมกันอยู่เป็น รูปพระธาตุและนามธาตุนา ม, มัธาตุใจเนี่ยเป็นนา ม, มัธาตุไม่มีรูปไม่มองเห็นด้วยจักษุเนื้อไม่สัมผัสได้ด้วยกายอแต่เป็นสภาวะแห่งความรู้ในตัวเองที่ว่ารู้ด้วยใจเพราใจนั่นแหละรู้รูปรู้ที่ใจนั่นแหละอันเดียวกันอยู่นั่น ี่ตั้งกายให้ดีแต่ก็ตั้งใจให้แน่วแน่นมั่นคงรวมความรูปที่สายแสไปที่เป็นสัญญาเป็นอารมณ์ไปจดจอ่อไปสัมปยุนอยู่กับเรื่องอะไรอดีตอนาคต รวมเข้ามาปัจจุบันธนานี่เดียวนี่ทําความรู้เด่นที่ดวงใจเดี๋ยวทําทดวงใจให้เด่นตรงกลางหน้าอกหรือเราวรู้ที่จะเอาจุดไหนเป็นเป้าหมายกําหนดเปลายจมูกหายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยว่าตั้งใจไว้ที่ปลายจมูกรู้แล้วลึกรู้ที่ปลายจมูก ตั้งใจรู้ตรงกลางหน้าอกระลึกรู้ตรงกลางหน้าอกเรียกว่าตั้งตั้งความรู้ตั้งภาชนะรูปคือใจเป็นภาชนะรองรับธรรมะที่เป็นกระแสเสียงสัมผัสที่หูรู้เข้าที่ใจ นี่เดี๋ยวเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติรวมเข้ามาเน่เดี๋ยวเรามารู้ต้นต่อมารู้ต้นต่อของตัวเราเรื่องมารู้ตนมารู้ตนคือใจมารู้ตนคือรูปร่างกายเห็นสองขาสองหัวหนึ่ง นั่งอยู่นี่แหละเป็นธรรมชาติของใครของมันอย่าเป็นสมบัติของใครของมันรับรูปทําหน้าที่รับรูปหรือทําหน้าที่ดูแลรักษารักผิชอบอยู่เฉพาะกายกับใจของใครของเรา นี่ว่าเป็นสมบัติสมบัติของเราตัวตนคือกายใจแต่ในปรมัธิธรรมท่านบอกว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่มันเป็นเพียงสภาวะธรรมท่านจึงว่าสัพเพ ธ, ธรรมานาตาติแม่ธรรมทั้งหลายก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตน นั้นเป็นสภาวะอันหนึ่งเท่านั้นเป็นสภาวะที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนจึงว่าธรรมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาธรรมทั้งหลายเป็นอนิจจังธรรมทั้งหลายเป็นทุกขังธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาเป็นสมมุติอาการของสมมุติผู้รู้อนิจจังรู้ ทุกขังรู้อนัตตานั่นแหละเป็นผู้อยู่เหนือสมมตริรู้สมมติอยู่เหนือสมมติวางสมมติไม่ยึดไม่ถือสมมติผู้นั่นเป็นผู้ไม่มีอะไรเรียกว่าเป็นใบพูดก็ไม่เป็นกระดุกกระดิบก็ไม่เป็นเป็นธรรมชาติ ไม่มีอะไรคือผู้ลูกอนิจจังทุกขังอนัตตานะนี่เรียกว่าเป็นสภาวธรรมธรรมะได้แก่อะไรพุท ธ, ธะได้แก่อะไรสังคะได้แก่อะไรพุท ธ, ธะ พุทธะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนของใครเองเรียกว่าสยามภูยาน เป็นผู้มียานตัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองเป็นความรู้เป็นปัญญาเป็นปัญญาบริสุทธิ์อันเชิงว่าพระคุณของพระพุทธเจ้าสามประการ พระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณนี่เรียกว่าคุณของพระพุทธเจ้าแยกเป็นอาการแยกเป็นอาการจากพุทธคือผู้รู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงหรือผู้รู้ตื่นเบิกบาน พุทธคือท่านผู้รู้หรือแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธะของพระพุทธเจา้าพราะองค์รู้ตื่นเบิกบานรู้ตื่นด้วยพระธรรมเมื่อรู้ตื่นด้วยพระธรรมคือพระปัญญาพระปัญญาคุณนั่นแหละเรียกว่าเป็นพระธรรมพระปัญญาคุณเมื่อ บริสุทธิ์เมื่อมีพระปัญญาคุณรู้แจ้งแทงตลอดในสภาวธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วหมดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแบบเป็นตัวตนสัตว์บุตรคลเราเขาเรียกว่าสิ้นจากอาสวะเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายหรือเหตุให้เกิดความเศร้าหมอง หรือผลคือความเศ้าหมองในจิตใจพระอริยไตยของพระพุทธเจ้าไม่มีไม้มีนี่จึงว่าถึงซึ่งพระบริสุทธิคุณได้ด้วยพระธรรมคือพระปัญญาญาณอย่างรู้ในสภาวะธรรมตามเป็นจริงนี่ฮะจึงว่า พระพุทธเจ้าหมายถึงท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้บริสุทธิ์ด้วยพระคุณทั้งสามประการคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็สอนผู้อื่นให้รู้ตามเรียกว่าเป็นศาสดา คือครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่คือพระพุทธเจ้าหรือคุณของพระพุทธเจ้าคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธทิคุณพระมหากรุณาธิคุณรวมอยู่ในพระอริอไยไรยดวงใจของพระองค์ทั้งหมด อาการทั้งหลายที่กล่าวมานี่เหตุใหถึงความบริสุทธิ์ได้แก่พระธรรมอย่างว่าพระปัญญาคุณถ้าแยกเป็นอาการออกไปเรียกว่าสติสมาธิและปัญญา เรียว่รวมสติสมาธิเข้ามาเป็นพระปัญญาคุณก็เรียกว่าเป็นพระธรรมพระธรรมคือสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงเมื่อพระพุทธเจ้ารู้เข้าใจในสภาพสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแล้วจึงได้สั่งสอนได้ประกาศพระธรรมหรือประกาศสัจธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหลเรียกว่าเป็นพระธรรมอันบริสุทธิ์จึงว่าพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระเป็นคำสั่งสอนที่บริสุทธิ์ผู้ประพฤติปฏิบัติตามเรียกว่าพระสงฆ์หมู่พระสงฆ์คือผู้ศึกษาผู้ได้ยินได้ฟัง คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพอพึ่งปฏิบัติตามคำสอนนั้นนั่นปฏิบัติตามดำเนินตามให้เป็นผู้มีสติคือศีลมีสมาธิความตั้งใจไว้มั่นคงในการที่จะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจนเกิดปัญญาญานัศนะ รู้เห็นในสภาวธรรมตามเป็นจริงเรียกว่ารู้ตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นหมู่สงสาวกคือผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าถึงรู้ความเป็นจริงแห่งพระธรรมนั่น ยังรวมว่าคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เรานมัสการพระคุณของท่านพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เพระะฉะนั้นจึงได้กล่าวคําน้อมนอมนมัสการพุทโธธรรมโมสังโฆ นามัสสามมข้าพเจ้านามัสการนอบน้อมในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ร, รวมเข้ามาที่กายตับใจของเราตาวาจาอาศัยกายส่วนนึกคิดทางใจเป็นเรื่องของใจโดยเฉพาะ นี่เรามาได้ยินได้ฟังอาศัยพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์แล้วมาประพฤติธปฏิบัติตามศ า, าสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือเราเอากายอวาวจจ์ใจของเราประพฤติธปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักแห่งธรรมชาติที่หลักธรรม ยัง ม, มาปฏิบัติกายมาสร้างฐานหรือชำระฐานรองรับธรรมะด้วยไม่ให้มี <c oughs> สิ่งสกรปรกไม่ให้มีมลทินไม่ให้มีมลทินในภาชนะคือกาย พระท่านจึงงดเว้นจึงมีเกตนางดเว้นการทำบาปทางกายการทำโทษทางกายจี่ยัว่าสํารวมกายสังวรกายสังวรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางกาย <c oughs> อาศัยบรรทัศฐานแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และก็อาศัยพระธรรมคือกายกับใจของเรานี่รวมธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแปดเมินสี่พันพระธรรมขันธ์แยกเป็นพระสูตรพระวินัยพระประมาธรรมคือเรื่องของบุคคลเรื่องของข้อห้ามที่เรียก ว, วินัยคือข้อบัญญัติห้าม และวก็เรื่องของจิตอาการของจิตที่เป็นปรมัธธรรมให้รู้เรื่องของจิตวิญญาณที่ใจนั่นรวมแปนเมือนพระธรรมสี่พันพระธรรมขันรวมเข้ามากันเยได้แก่กายกับใจนี่เป็นก้อนของธรรมหรือผู้ศึกษาธรรม กอ็อยู่ในอันเดียวกันทั้งเป็นผู้เขียนทั้งเป็นผู้อ่านในอันเดียวกันมีศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะ ถ, ถ้าความเป็นธรรมเราจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระธรรมนำให้เกิดสุขปฏิบัติตามข้อปฏิบัติแห่ง พระธรรมลนะ่ะจะนำไปสู่ความสุขกายสบายใจแว่พระธรรมเป็นที่พึ่งไม่ให้โทษเกิดรักษาไม่ให้ตกไปในที่ชั่วธโมหะเวรคติธรรมจาริงทมย่อมรักษาผู้ปพระคตทำปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ทุกข์ยากลำบาก คือทุกคติภูมิทั้งสี่ไม่ให้เกิดเป็นสัตว์ดร้รายนไม่ให้ไปเกิดเป็นในภูมิแห่งสัตว์นรกไม่ให้เกิดในภูมิแห่งอสุรกายไม่ให้เกไม่ให้เกิดในภูมิแห่งเปตวิสัยเพราะภูมิทั้งสี่นั่นเป็นทุคติภูมิ เป็นภูมิที่ให้เกิดความทุกข์เล่าร้อนแสนสาหัสยิ่งมากไปกว่าภูมิแห่งความเป็นมนุษย์สมบัติจิงอระธรรมเมื่อปฏิบัติตามแล้วปิดเสียสึ่งอบายยะภูมิท่านริงว่าผู้มาถึงพระพุทธระธรรมประสงค์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่ง คือเป็นสารณะความหมายของสรณะก็เรียกว่าที่พึ่งทิงที่พึ่งที่อาศัยสารณะพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะปิดเสียสิ่งบายยัภูมิทั้งสี่เพราะพระธรรมดานให้ปฏิบัติดำเนินกายวยจาจาใจ ไปตามหนทางที่ให้เกิดความชอบเพื่อให้เกิดความสุขไม่เป็นความทุจริตบิดเบียนความจริงถ้าทุจริตบิดเบียนจากความเป็นจริงมันจะเกิดทุกข์จากความเป็นทุกข์เพราะด้านสิ่งใดที่ประพฤติปฏิบัติตามการกระทําทางกาย พูดทางวาจาหรือแม้แต่นึกคิดทางจิตใจถ้าสิ่งไหนเป็นไปโดยทมแล้วย่อมทำให้เกิดความสุขใจความสบายใจความเยือกเย็นในใจิตใจสิ่งไหนทำไปแล้วพูดไปแล้วให้เกิดความทุกร้อนให้เกิดความขัดเคืองใจความเล่าร้อนใจไม่สบายใจ อันนั้นไม่ใช่ธรรมท่าจริงว่าอยากการตัดสินพระธรรมวินยัยสิ่งใดเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความขัดแย้งเพื่อความไม่ลงรอยกันอันนั้นเป็นอันนั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยสิ่งใดเป็นไปเพื่อความสามคัคคีกรมเกี่ยว ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วสิ่งนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยนี่จึงรวมเข้ามาเป็นเรื่องของกายของใจของเราในส่วนที่แยกเป็นธรรมะหลายขั้นขั้นยาบขั้นกลางขั้นละเอียดขั้นยาบก็ได้แก่ทานศีล ท่านกลางก็เป็นเรื่องได้แก่การภาวนาหรือว่าศีลภาวนาท่านละเอียดสุดก็ได้แก่สมาธิรหรือปัญญา เ, เรื่องของปัญญาเนี่ยพเราปฏิบัติธรรมะเนี่ย เมื่อชีวิตจิตใจของเราการเกิดขึ้นมาเนี่ยมีชีวิตคำว่าชีวิตก็คือสภาวะที่เป็นสันตติความสืบต่อเนื่องแห่งลมหายใจและความรู้คือใจกลมคืนกันอยู่กับร่างกายเนี่ย เรียกว่าชีวิตคือความเป็นอยู่สืบเนื่องกันเมื่อมีการเกิดขึ้นมามีชีวิตมีกายกับจิตสัมพยุต์กันส่วนร่างกายของเราเรียกว่าเป็นธาตุส่วนดินน้ำไปลมใจนี่ก็เป็นธาตุเหมือนกันเป็นธาตรู เมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นด้วยการสัมะยุตระหว่างรูปกับนามแล้วก็ให้รูปนี่มีชีวิตมีลมหายใจเป็นอยู่ได้แล้วก็มีสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณมีความรู้สึกนึกคิด ให้เกิดสติปัญญาให้เกิดวิชาหรืออวิชาเอาวาอาวิชาก็คือความไม่รู้หรือความเห่อความไม่มีสติความไม่รู้ตัวเรียกว่าอาวิชาวิชาก็คือความรู้ตัว คือความรู้รู้รอบกายรอบใจรู้กายรู้กายรู้ใจอันนี้เป็นเห็นวิชาเพราะวิชาท่านหมายถึงความรู้แจ้งที่นี่เมื่อรู้กายรู้ใจรู้แจ้งแทงตลอดไปจนถึงสภาวะสมมติทั้งหลาย เรียกว่าสัญญาสังขารวิญญาณอะไรที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เรียกว่าเป็นความรู้แจ้งคารู้แจ้งแทงตลอดความมืดก็ไม่มีอุปธานที่จะไปยึดถือว่านั่นเป็นนั่นอันนี้เป็นนี่ซึ่งเป็นสภาพแห่งความมืดที่ปกคลุมความรู้คือใจของเรา อันก็ไม่มีเมื่อทำความแจมแจ้งทำความรู้ด้วยความมีสติในเบื้องต้นแล้วก็ใช้ปัญญาต่อไปตามลำดับคือทำสติสัมปชัญญะให้เป็นสัมมาสติความระลึกชอบอันนี้เป็นธรรมปฏิบัติ คือเป็นการเข้าถึงความจริงคือทำใจให้มีสัมมาสติมีสติความะระลึกชอบคือะระลึกรู้ในปัจจุบันรู้ตัวต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันเป็นอาการแห่งความรู้ตัวแล้วรู้เป็นความละเอียดเป็นความสุขความเบาหรือเป็นความ ทุกความร้อนความหนักนวงในจิตใจอะไรก็มีใจนั่นแหละเป็นผู้รู้มันจะเป็นความรู้ละเอียดไปหลายๆอยา่างจนเกิดเป็นแสงสว่างแห่งดวงรู้คือใจหรือปรากฏเหมือนกับว่ามันสว่างสวัยเหมือนกับแสงแห่งความสว่าง แสงแห่งความสว่างเหมือนกันกับเวลาพระอาทิตย์โผจากสิ่งที่บงังไหว้เขาเป็นแสงสว่างเหมือนกับตอนเช้าเรานอนตื่นขึ้นมาเป็นเช้าขึ้นมาแสงแห่งความสว่างแสงแห่งความสว่างไม่ใช่แสงของ ดวงอาทิตย์แต่ก็อาศัยแสงของดวงอาทิตย์นั่นจึงเป็นแสงแห่งความสว่างเราลืนตาขึ้นตอนเชา้าเพราะอาทิตย์โผล่ขึ้นมาก็ามองเห็นสิ่งน้นสิ่งนี้มองเห็นได้ด้วยแสงแห่งความสว่างถ้าไม่มีแสงแห่งความสว่างที่เกิดจากดวงอาทิตย์ เป็นแสงสองความสว่างมันก็ไม่ความสว่างก็ไม่มีมันก็มืดแล้วก็มองไม่เห็นอะไรถึงแม่ตาของเราจะว่าเป็นอุปกรณ์ <c oughs> เป็นเครื่องสัญญาณสำหรับให้เห็นให้ดูก็ไม่เห็นเท่ามืดมันมีแต่ความมืดไม่มี แสงแห่งความสว่างามองไปก็เห็นแต่สีดำๆแค่นั้นแสงก็เรียกว่าแสงแห่งความดำไม่ใช่แสงสว่างก็เป็นความมืดมองไม่เห็นอะไรตาของเราดีๆนี่แหละอแต่เมื่อมันไม่มีแสงแห่งความสว่างบ้างจะมองไม่เห็นอะไรแต่ถ้าคืนไหนมันมีแสงแห่งความสว่างบ้างที่ส่องจาก ดวงจันทร์ดวงดาวซึ่งได้รับสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ส่องลงมาในพื้นโลกก็ยังพอมองเห็นอันนู้นอันนี้พอลางๆได้แต่มันมืดสนิทเลยดวงจันทร์ก็ไม่มีดวงดาวก็ไม่เห็นมีแต่เมฆหมอกปิดบังมืดดำอันนั้นเราก็มองไม่เห็นอะไรเห็นแต่ความดำ อันนี้การสัมผัสทางตาสัญญาณทางตาหรือวิญญาณตาก็เป็นอย่างนั้นที่นี่แสงสว่างแห่งปัญญาเนี่ยมันก็เกิดความสว่างสวัยคือความโล่งแจ้งสว่างก็เหมือนกันกับความสว่าง ของจากแสงอาทิตย์นั่นแหละตามองเห็นสัมผัสได้อันนี้รู้ด้วยใจเรียกว่าปัญญาแสงแสงสว่างแห่งปัญญารู้เรื่องที่เราหลงด้วยความมืดหลงยึดว่านั่นเป็นนั่นอันนี้เป็นนี่หลงยึดตัวถือตน จนจนเกิดเป็นมานะทิฏฐิหรือเป็นอุปทานก็เป็นความถือความไม่รู้ตามเป็นจริงมันก็เป็นความมืดนั่นแหละทีนีก็เป็นความมืดเป็นอวิชชาคือความมืดความไม่รู้ตามเป็นจริงก็ปกคลุมห่อหุ้มใจที่เป็นธรรมชาติรู้ เราเลยไม่ลู้ความจริงที่จะให้รู้ความจริงยิงต้องมาปฏิบัติแต่ว่าปฏิบัติมาตั้งใจมากาหนดจิตใจให้มีความระลึกรู้มีสติความระลึกรู้มีสมปัญญะความรู้ตัวเกิดขึ้นที่ใจ นี่ท่านจึงบอกไว้ว่าท ร, ร ม, มีอุปการะทรรมที่มีอุปการะมากๆได้แก่สติสตินี่แหละเป็นสิ่งที่ปาธนาในที่ทั้งปวงสตินี่ก็เป็นตะบะเรื่องแผดเผาอีก แผดเผาะอะไรแผดเผาความไม่รู้นั่นแหละแผดเขาแผดเผาความไม่รู้ให้สิ้นสุดลงแล้วจะเกิดความรู้ขึ้นมาด้วยสติจึงว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือให้มารู้ให้มีสติมารู้ กายรู้ใจของเรามาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจหรือว่าเรื่องจิตจิตจิตจิตนั่นเรียว่าอูนนึกคิดจิตตังคือผู้นึกคิดเรานึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอาการแห่งความนึกอันนี้อาศัยจิตเป็นอาการแห่งความนึก แล้วก็มีใจเป็นผู้รู้การ น, นึกมีสติเป็นผู้ะระลึกรู้ความนึกคิดนั่นเพราะฉะนั้นถ้าจะมาพูดเอากำหนดเอาให้สั้นเข้ามาไม่ต้องอธิบายขยายอะไรให้มากมายก็ให้ตั้งสติกำหนดรู้ ที่ใจหรือว่าให้ใจมีความระลึกรู้ฝึกสติฝึกความระลึกรู้ให้ต่อเนื่องต่อเนื่องเมื่อมันต่อเนื่องกันแน่วแน่้วมีฐานมีใจใจที่ประกอบด้วย ฐานแห่งความมั่นคงคือสติความรู้นั่นก็จะแนวลงสู่ความรู้เองเห็นแล้วนึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธม่มันรวมเข้ามามก็จะเป็นพุโทโธโดยอัตโนมัติไม่อกแวกไม่สายแสไปสู่อารมณ์อย่างอื่ น, <c oughs> นเรียกว่าธรรมะตั้งมั่น ถือทำรวมเข้าสู่ใจหรือใจตั้งมั่นอยู่กับธรรมะคือความแน่วแน่คือความระลึกรู้ความแน่วแน่เมื่อมันตั้งมั่นแน่วแน่นเิดแสงสว่างอความรู้สว่างเหมือนกับแสงสว่างของ ดวงจันทร์หรือแสงสว่างเหมือนแสงก้าจ้าเหมือนแสงดวงอาทิตย์ก็แล้วแต่อันนั้นก็เรียกว่ามันเป็นแสงของใจนั่นแหละเป็นแสงของใจแสงของสติสมาธิใจที่มีสติสมาธิก้าก็เป็นเหตุให้เกิดแสง แต่ไม่ใช่ตาของเรามองเห็นแต่ใจนะ่ะรู้เหมือนกับตา ม, มองเห็นเป็นแสงสว่างสีแดงสีขาวก็แล้วแต่แต่ก็อย่าไปสงสัยอย่าไปตกใจอย่าไปวิตกวิจารณ์อะไรมันเห็นมันรู้มันเป็นให้รู้ให้รู้อยู่เท่านั้นแหละแต่เขาจะเปลี่ยนแปลงไปอะไร อันนั้นเป็นเรื่องของเขาเพราะความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นเฉพาะในสมาธิอหรือในฌานคือการเพ่งให้ต่อเนื่องกันเลยมันก็จะเกิดความรู้ความเห็นความเป็นละเอียดเกี่ยวกับเป็นเรื่องจิตใจโดยเฉพาะเรื่องใจโดยเฉพาะจะต้องไปวิตกวิจาร เดี๋วเขาผ่านสภาพนั่นของเขาไปมันก็จะไม่ปรากฏแสงอะไรต่อะไรแต่มันก็จะเลือแต่ธรรมชาติรู้เป็นความรู้เด่นนั่นท่านเึงยว่าทำอันเดียวท่าไม่มีสองความรู้เด่นอยู่อันเดียวไม่รู้ว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนแหละความรู้รู้แต่ว่ามันเด่นอยู่ เฉพาะครอบจั ก, กรวาลถ้าไปว่าครอบจั ก, กรวาลมันก็เป็นสมมุติไว้อีกแต่ธรรมชาตินั่นมันไม่ว่าจั ก, กรวาลหรืออะไรต่ออะไรแหละแต่มันหักเป็นธรรมชาติรู้อยู่เฉพาะตัวก็รู้อยู่นั่นแหละ มันเป็นอย่างนั้นมันรู้อย่างนั้นก็รู้อยู่นั่นแ่ะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนไปแบบไหนเขาถอนออกมาสู่ความอยากมารู้มาสัมผัสเรื่องน้นเรื่องนี่มีความนึกความคิดมีความจดความจำในขณะที่มันรวมเข้าไปสู่ความรู้อันเดียวมันไม่มีสัญญาสังขารบิญาญณญอะไรทั้งนั้นแหละแต่มันเป็นธรรมชาติรู้เป็นหนึ่ง ไม่มีความจดความจำอะไรหระเมื่อมันถอนออกมาแล้วมันจึงมามีความจำว่าจิตของเราความรู้ของเรามันไปตั้งรู้อยู่อย่างนั่นอย่างนี้มันมามาใช้สังขารมาใช้สังขารมาใช่วิญญาณความรับรู้ม่ใช้สัญญาความจำแต่ความจริงที่มันเป็นนั่นมันไม่ใช่สัญญา เป็นคานจริงที่สัมผัสกับใจกับความรู้เพราะฉะนั้นสภาวะอันนั้นจึงไม่ต้องจำไม่ต้องจาแต่มันรู้เนื่อเขาถอนออกมาสู่ความอยากแล้วมาก็เอาคำิกรีรมเป็นหลักรือเอากายเป็นเป้าหมายแห่งกำหนดรู้ ยังกำหนดรูปหรือพิจารณาด้วยการวิตกวิจารเนี่ยพิจารณาด้วยปัญญาหรือวิตกยกขึ้นสู่การพิจารณาทำรูปกายทำนรูปกายจะพิจารณา ก, รกา ย, กกา ย, ากายอันนี้เป็นการสร้างปัญญาที่สร้างสติให้ต่อ เนื่องกันแล้วจนรู้ว่ามันแน่วแน่มันไม่รั่งไม่เผลอไม่สายแสไปจนรวมล ง, งแสดงความละเอียดความวางกายความไม่มีกายเหลือแต่นามธรรมคือใจเนี่ยรู้ด้วยตนเองเมื่อเขาถอนจากันนั่นออกมา มารู้เรื่องกายสัมผัสเรื่องกายรูปตาหูาจมูกลิ้นรูปกายใจรููในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขวิตกยกการพิจารณาน้อมไปในการพิจารณาแยกแยะแจกแจงพิจารณ า, า, าในกายว่ากายนี่มันประกอบด้วยอะไรบ้าง ร่างกายเนี่ยประกอบ ด, ด้วยธาตุดินน้ำไฟลมแต่ธาตุที่รวมกันอยู่เป็นรูปร่างกายเนะี่ยส่วนที่เป็นอาการข้นแข็งก็ได้แก่ธาตุดินสิ่งที่เป็นอาการเหลวก็ได้แก่ธาตุน้ำอาการอบอุน่นก็ได้แก่ธาตุไฟอาการ สัมผัสความเย็นพัดไปพัดมาหรือหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นธาตุลมเอก ม, มาเพ่งพีนาแยธาตุธาตุดินมีอะไรบ้างในร่างกายที่เราส่วนกายคตาสติภาวนายังโคมเมกยโยกายของเรานี่แหละเกสาผมโลมาขนนัขาเล็บ ก็กำหนดเพ่งพิจารณาวิตกไปตามผมเกิดอยู่บนศีรษะเป็นเส้นเส้นขนเกิดอยู่ตามสพางร่างกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้ามีเส้นหยากเส้นละเอียดเส้นสั้นเส้นยาวเป็นขนเล็บ งอขึ้นตามปลายมือปลายเท้าพบทุกแห่งเหนือเล็บเป็นถาดดินฟันเป็นซี่ๆในปากคางกระดูกคางข้างล่างข้างบน น, นั่นฟันกระดูก เขาขาวนั่นเนี่ยเขาสมมติว่าฟันแต่ความจริงของเขาเขาก็เป็นธาตุธาตุดินหนังหุ้มอยู่ทั่วตัวหนังผิวบางๆหนังหุน่นปกปิดหนังที่เป็น พังผืด <c oughs> ดึกลงไปโจนังมังสังเนื้ อ, อาหารูเอ็นกำหนดเพ่งพิจรารณาเนื้อฝึกปัญญาฝึกพิจารณาเดินในกายเดินในรูปกายมีเหมือนกันรูปหญิงรูปชาย ก็เป็นอันเดียวกันล่ะผมคนได้ฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นว่าที่สุดภายนอกของกายได้แก่หนังหนังปกปิดอยู่ภายในได้แก่เยื่อในกระดูกที่สุด วักกังมากหายยังหัวใจตับไตไส้ปอดไส้เล็กไส้ใหญ่อาหารที่คกนกินเข้าไปใหม่ๆเรออาหารใหม่อาหารที่ถูกไฟธาตุเผาผลานให้ย่อย เป็นกากเรียกว่าอาหารเก่าเยื่อในสมองเมื่อสมองในกระโหลกศีรษะเนืเป็นธาตุดินธาตุดินมียี่สิบธาตุดินยี่สิบธาตุน้ำมีสิบสองอาการ กำหนดเพง่งธาตุน้ำพิณาธาตุน้ำเมื่อมันถึงพร้อมด้วยสติสมาธิและปัญญามันมันไม่ได้กำหนดเป็นอันอันไปอย่างที่อธิบายให้ฟังมันกำหนดพิบเดียวไปมันรูไปหมด รูปไปหมดเหมือนกันกับมีแสงสว่างและตาของเราดีเราลื่นขึ้นเ็ามองเห็นไปพร้อมกันหมดต้นไม้ใบหญ้ามีอะไรสีแดงสีขาวสีอะไรอยู่ที่ไหนที่ไหนคือไม่ต้องไปมองทีละอันทีละอันนี่ก็เหมือนกันดวงปัญญาคือตาใจเมื่อประชมแห่งสติสมาธิ และปัญญาที่ให้ควรที่พิจรารณามั น, นประชุมลงเป็นความเห็นพึบทีเดียวเท่านั้นเนี่ยดินน้ำไฟลมอากาศสาิธาต์ปิญญาณาธาตอะไรเห็นส่วนที่เป็นรูปเป็นธาตุเป็นสมมุติทิกสมมุติลงไม่มีสมมุติก็ไม่มีอะไร เนี่ยเงเป็นวิมุตตคือความไม่สมมุติมันเป็นธรรมชาติรวมลงทั้งเป็นวิมุตตเป็นอนัตตาเห็นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนในลงในคณะจิตเดียวนั่นหะหมดความยึดถือสิ้นสงสัยสิ้นทุกข อาการแห่งทุกข์ในธรรมชาติรู้ไม่ ม, ไมีเกิดขึ้นแต่ว่าอาศัยพิจารณาในการเดินปัญญาคือการดูธรรมะดูรู ป, ปรธรรมคือดูกายของเราทำไมจึงมาดูอย่างนี้ก็เพราะมันหลงสิ่งเหล่านี้ ธรรมชาติรู้มีธรรมชาติหลงอ่ารู้หรือว่ารู้หลงนั่นแหละรู้แล้วก็มาหลงหลงดินหลงน้ําหลงหลงหลงไฟหลงกายหลงความนึกความคิดความจดความจําหลงใจหลงความยึดความถือนี่มันหลงกายหลงใจเพราะฉะนั้นจึงต้อง ให้วิจัยวิจารให้ชนิดพิจารณาแยกแยะในกายในใจ <c oughs> เพื่อให้รู้ให้เห็นความจริงรู้เห็นความจริงแหละมันจะไปหลงอะไรไม่หลงถ้ารู้ความจริงเห็นความจริงเห็นด้วยตาใจตาแห่งปัญญา มันก็วางสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างไปทุกเกิดแต่ความหลงทุกเกิดแต่อุปทานทุกเกิดแต่ความอยากเมื่อมันสิน้นอุปทานสิ้นความอยากด้วยปัญญาแล้วมันก็ไม่มีทุกข์เพราะมันไม่มีความอยากมันก็ไม่ทุกข์ กมัไม่หลงก็ไม่ทุกข์ทุกข์เพราะหลงทุกข์เพราะอยากทุกข์เพราะยึดไม่ยึดหรือไม่หลงไม่หลงก็ไม่ทุกข์ไม่อยากก็ไม่ทุกข์มันเป็นอะไรไม่อยากไม่หลงไม่ทุกข์มันก็มันก็เป็นธรรมชาติรู้อยู่เฉยๆนี่แหละ เป็นธรรมชาติรู้อยู่ตามธรรมชาติของเขาอยู่เหนือสิ่งที่ปกคุมที่เรียกว่าหลงหรืออุปทานหรือกรรมนั่นนี่จึงต้องให้ที่เจรนาจึงให้เจริญปัญญา ว่าสิ่งที่จะทำลายความมืดนั่นก็คือแสงสว่างแสงสว่างท่านเรียกว่าปัญญาแสงสว่างแห่งปัญญานาทิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคือแสงสว่างแห่ง ปัญญาเกิดจากใจนี่แหละที่ได้ปฏิบัติที่ได้เจริญให้มากทําให้มากด้วยการปฏิบัติเจริญสติสมาธิปัญญ า, าเรียกว่าเดินมรรคหรือว่าเจริญมรรคมรรคขปฏิปทาคือข้อ ป, ปฏิบัติอีก ในเมื่อสร้างฐานของธรรมคือสติสมาธิและปัญญาก็จะรู้เข้าใจในเหตุและผลรู้เหตุรู้ผลจะนึกว่ารู้เหตุแห่งทุกข์รู้เหตุที่จะให้เกิด ความโรคเกิดความหลงเกิดความอยากให้เกิดทิฏฐิเกิดมานะอความถือตัวถือตนทิฏฐิคือความเห็นผิดก็เกิดจากความไม่รู้ที่มาฝึกให้เกิดความรู้ให้มีความรู้ก็จะเป็นสมาทิธิ เป็นความเห็นที่ชอบอให้เกิดความรู้ชอบถ้าไม่ฝึกหัดปฏิบัติไม่ฝึกตนตามธรรมะจะไม่มี ความรู้ตัวไม่รู้ตัวกับไม่รู้ผู้อื่นถ้ารู้ตัวรู้ตนรู้กาย ร, รู้ใจของเรากพรู้ผู้ผู้อื่นด้วยผู้อื่นเป็นอย่างไรใจของผู้อื่นเป็นอย่างไรกายของผู้อื่นเป็นอย่างไรความนึกความคิดของผู้อื่นเป็นอย่างไรก็จะรู้รู้คันห้าของตนเองซสียก่อนก็จะรู้คันห้าของผู้อื่นได้ จะตัดจะละเหตุให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องเข้าใจเหตุเสีก่อนว่าเข้าใจเหตุเข้าใจวิธีการจึงต้องได้ศึกษาธรรมะศึกษาแล้วก็มาปฏิบัติธรรมะนนอย่างเรามา ศึกษาด้วยการได้ยินได้ฟังและก็มาลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างนี้แหละกำหนดจิตใจตั้งสติของเราให้รู้ต่อเนื่องกัน <c oughs> นี่ฐานของธรรมะว่าสตินี่แหละเป็นธรรมที่มีอุปการะ ไม่ได้อยู่ที่อื่นามาสร้างฐานตรงจุดนี้ก็ไปรู้ความจริงรู้เหตุรู้ผลว่าเราความเป็นอยู่ของเราเนี่ยที่เราว่ามีทุกข์หรือมีสุขมันสุขขนาดไหนมันทุกข์น้อยทุกข์มากอย่างไรก็จะรู้เหตุแห่งทุกข์รู้เหตุแห่งสุขมาเข้าใจใน เรียกว่าเข้าใจในอริยสัจธรรมทั้งสี่อริยสัจธรรมทั้งสี่ความจริงความจริงของความสุขความจริงของความทุกข์ความจริงของเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงของเหตุให้เกิดความสุข มันมีมันมีอยู่เท่านี้มันมีอยู่เท่านีนนเาเนเน้เมื่อมาศึกษาให้รู้ความจริงที่ให้เกิดความสุขที่เรียกว่ามัคคะปฏิปทาก็คือการปฏิบัติชอบการปฏิบัติชอบประกอบ ด้วยความเป็นสัมมาเป็นความจริงว่าศีลสมาธิปัญญาจริงต้องทำสติให้ต่อเนื่องกันยืนเดินนัง่งนอนกินดืน่มทำผูกคิดเมื่อสติต่อเนื่องกันเราจะเห็น จะได้รูปผลสัมผัสผลถ้าสติไม่ต่อเนื่อง้องพังเผลอเผลอขาดวักขา ด, ขาดตอนเราก็ยังรู้เหตุรูกผลของความขาดวักขาดตอนบางทีขณาที่เรามีสติรู้ตัวอยู่จิตมันก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านไป น, นึกไปคิดเรื่องอย่างอื่นก็ไม่มีผลคือความ กวนก歪ความอึดอัดใจครับแค้นใจก็ไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่ามันสติไม่รู้ตัวมิแต่นึกแต่คิดไปเรื่องนุ่นเรื่องนี่คิดปุงฟุ่งปรุงแต่งไปคิดไปแต่ร้อนไปปรุงแต่งไปก็เป็นทุกไปนี่เราก็ยังรู้อยู่ ที่เมื่อมันต่อเนื่องกันให้เป็นองค์มรรคคือสติต่อเนื่องไม่ขาดวักขาดตอนสติเป็นเพื่อนสองของใจเป็นคู่คองของใจน่ะใจคองอยู่กับความแล้วลึกรู้ไม่ขาดวักขาดตอนมันจะเป็นความแน่วแน่เป็นอาการแห่งความแน่วแน่เป็นอาการแห่งความ สุขความเบาความสบายรอดโป่งโล่งผิดปกติกับที่สติไม่ได้ต่อเนื่องกันเราก็จะสัมผัสเองรู้เองเข้าใจเองมี <c oughs> สิ่งที่แปลกจากของเดิม น, นย่อมเกิดขึ้นเรียกว่าเป็น เหตุให้เกิดความสุขมั น, นใจไม่ฟุ้งซ่านลำคาญก็มีความสุขไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความวุ่นวายเดือดร้อนมันเป็นผลเป็นผลขอแต่ว่าให้พยายามทำสติให้มันต่อเ น, นื่องกันด้วยการบริกรรม ภาวานานึกพุโทโธพุธโทโธเป็นอารมณ์มืันแน่วแน่รู้กันรละลึกรู้กันอยู่ตลอดไปเว้นไว้แต่หลับนอนหลับไปเหมือนกับว่าหลับไปเมีบหนึง่งพอรู้สึกตัวตื่นมันก็เป็นพุโทโธพุธโทโธอยู่กับความรู้ต่อเ น, นื่องกันไปตลอดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิด อันจะเป็นความระลึกรู้นี่ท่านเป็นมหาสติเป็นสติใหญ่สติมั่นคงต่อเนื่องกันมหาสติมหาปัญญาปัญญารู้ทั้งส่วนใหญทั้งส่วนละเอียดสุดท้ายกับรู้แ ม, ม้แต่กับความรู้ของตนเองมันรู้ความจริงแล้วมันก็ สว่างสว่างรวงมันเป็นมันเป็นอยู่ในจิตใจของเราเองนั่นแหละถ้าใครเป็นแล้วหรือผู้ที่ยังไม่เป็นถ้าปฏิบัติให้จริงให้จริงๆเหรอให้ต่อเ น, นื่องกันมันก็จะเป็นแน่นอนไม่ไปทางไหนจะต้องผ่านไปเหมือนกันกันกบความแก่ความ เก็บความตายเนี่ยที่เราจะสัมผัสรับรู้ด้วยตนเองเมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่และคือความแก่ก็แก่ตั้งแต่วันเกิดแต่เราไม่รู้ว่าแก่เท่านั้นแต่ถ้าอยู่ไปนานจนถึงอายุเก้สิบปีแปดสิบปีก็จะรู้ความแก่ว่ามันเป็นอย่างไงมันเน็ตมันเหนื่อยมันทุกข์มันยากมันลําบากทั้งกายทั้งใจอย่างไง ก็จะรู้รู้ความจริงของความแก่ความเก็บปวดรวดร้าวด้วยโรคภัยไข้เก็บอะไรก็จะรู้ด้วยตนเองถืดท้ายก็ต้องแยกสลายที่เรีย ว, ว่าตายอันนี้แน่นอนใครจะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธสภาวะธรรมแห่งความเป็นจริงอันเน่ก็จะสัมผัสให้รู้ให้เห็น ด้วยตนเองนั่นแหละคือมีอยู่บางอย่างมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจว่ามันเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาเท่านั้นไม่รู้ความจริงของจริงมีถึ่ไม่รู้ความจริ ง, อ, ง, ร ง, อ, รรงอันนี้การเจริญมรรคการปฏิบัติทำเจริญมรรค ทำสติให้ต่อเนื่องจะเกิดความมั่นคงของใจตั้งมั่นได้จะเป็นฐานหนูนเรื่องปัญญาให้เร็วเสียบแรมสว่างได้เร็วได้ง่ายเมื่อเราน้อมไปในการพิจารณาเมื่อพิจารนารู้เข้าใจสว่าง ในความจริงทั้งหลายสัมผัสกับใจมันว่างมันว่างมันไม่มีอะไรเราก็จะรู้เองเห็นเองนี่ไม่นอกเหนือไปจากหนทางอันชอบหนทางตรงการปฏิบัติธรรมะ ด้วยการสร้างสติสมาธิและปัญญาก็ามีเท่านี้พระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ก็สอนสอนธรรมะประกาศธรรม ะ, รรมะสอนมัรคข้อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาส่วนจะบอกผลบอกเหตุอะไรต่างๆท่านก็ชี้โทษชี้คณชี้ให้เห็นโทษเห็นคุณ เรืองสวรรค์เห็นคุณประโยชน์ของความสุขในสวรรค์ขั้นหนึ่งสุกกายสุกใจสบายกายสบายใจไม่มีโทษไม่มีเวรไม่มีภัยเห็นโทษที่ให้เห็นโทษของความหลงในความหลงยึดติดในกายในจิตหลงยึดติดในสัมผัสตาหูจมูกริมกายใจ านก็ที่โทษเพราะว่าท่านไปหลงกับความเห็นความได้ยินได้ฟังเปหลงกับความเห็นผิดยึดผิดถือผิดเป็นโทษที่ให้เกิดความทุกข์ความร้อนเผาผานในจิตใจเป็นไฟขึ้นมาที่ท่านบอกราคาคินาโทสกินาโมหคินา ไปคือความโกรธใครๆก็รู้เวลาโกรธมันร้อนไปคือความหลงหลงยึดหลงติดหลงยึดตัวถือตนเป็นทุกข์อยู่ในใจนั่นแหละไฟความโลภความอยากถ้าเยอะทะยานไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีขอบไม่มีเขตก็เป็นทุกข์ทั้ง น, นัน้นนั้นท่านซี่ท่านบอกอาการ เหมือนกันกับแพทย์บอกอาการโรคของผู้เจ็บผู้ป่วยด้วยโรคอะไรมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นหมอก็บอกไปแต่สมุทฐานที่ให้เกิดโรค ก, ก็คือตัวของเราเนี่แหละก็คือกายของเราเรามีกายเรามีเนื้อมีหนังเรามีอวัยวะอาญตนะ มีตาจึงเป็นโรคตามีหูจึงเป็นโรคหูมีจมูกจึงเป็นโรคจมูกมีท้องมีไส้จึงเป็นโรคท้องโรคไส้โรคตับโรคไตโรคอะไรต่างๆมันเกิดอยู่ที่เหตุตรงนี้ส่วนอาการเจ็บปวดเหนื่อยเมื่อยหิวถึงเป็นอาการเมื่อมาลูกฐาน ของเหตุต่างๆอยู่ที่กายกับใจนี่แหละเรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุ ท, ทยัยก็ความไม่รู้ในสภาวะตามความเป็นจริงทั้งหลาย น, นั่นยงไปเกิดความอยากความอยากมีนั่นมีนี่อยากมีรักมียศมี ฉันเลิศเสริญสุขเนี่ยเกิดความอยากก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์หละถ้ามีความอยากถ้ารู้ความจริงเลยไม่อยากยาจริงว่าละละความอยากเสียได้ด้วยปัญญาเข้าใจความเป็นจริงคือมัคคือปัญญาเห็นชอบสมาทิทสมาสังกัปะความเห็นชอบความดำดีชอบ ความรู้ชอบความระลึกชอบทุกกหมดไปเพราะความอยากไม่มีสิ้นสุดความอยากสิ้นสุดลงจากใจนี่เหตุและผลมันอยู่ตรงนี่รวมมันอยู่ที่ใจแต่เจ้านี่ใจนิ่งอาศัยกายเป็นอยู่ด้วยกันยิ่งว่าอาศัยขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เป็นที่รู้ของใจที่สัมผัสของใจกจ็จึงต้องมาศึกษาให้เข้าใจในรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในรู้เรื่องกายเรื่องใจใรู้ด้วยปัญญาแจมแจ้งเลยได้ชื่อว่าท่านที่สุดแห่งทุกโดยชอบ มไม่มีทุกข์ภายในใจนั่น น, นี่ได้ชื่อว่าผู้ประพฤธรรปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมเละพระธรรม ร, รักษาไม่ให้ตกไปในที่ทุกข์ยากลำบากคือไม่ต้องมาเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์วนเวียนไม่ เสร็จไม่สิ้นมาโรคมาโกรธมาหลงมาอิจฉาพยาบาทอะไรต่ออะไรก็เพราะมันมีการเกิดขึ้นมามีรูปและนามมีกายกับใจนี่แหละในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมนำไปสู่นำออกจากทุกทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบได้ นะตั้งแต่เบื้องต้นถ้ำกลางจนถึงที่สุดสุดยอดคือวิมุตตินิพพานเกิดแสงสว่างแหง่งธรรมรูปความจริงภายในความรู้รู้คือใจนี่นอธิบายวิถีอธิบายอาการ เกินความจริงอยู่กับตัวเราของแต่ละท่านแต่ละคนอยู่แล้วกายของเราใจของเรามีความเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติธรรมะน้อมนำเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนมาฝึกฝนอบรมกายใจของเราฝึกให้เป็นผู้มี ความระลึกชอบมีสติระลึกรู้ตนรู้กายรู้ใจของตนฝึกให้มีปัญญาความรอบรู้ในสภาวะของกายและใจรู้เรื่องภายในรู้เรื่องภายนอก ฝึกให้มีความเพียนพยายามปฏิบัติให้ต่อเนื่องกันการภาวนาการทำความดีด้วยกายวาจายใจการงดเว้นจากโทษทางกายทางวาจายทางใจมีศรัทธาเชื่อมั่นตั้งความเพียรไม่ท้อถอย อธิษฐานมีคติอดทนในการที่จะสกัดกั้นสิ่งเหล่านี้แหละไม่ให้จิตใจของเราเนี่ยให้ความรู้ของเราเนี่ยล่มเหลวไปตามความอยากความหลงก็จะเป็นผู้เว้นจากบาปได้จะเป็นผู้ไม่มีบาปเข้าถึงความไม่มีบาปด้วยการปฏิบัติด้วยการง ด, ดเว้นนั่นเอง บาปทางกายไม่ทำบาปทางวาจาไม่พูดสิ่งที่เป็นโทษบาปทางใจสงบระงับด้วยสติสมาธิและปัญญาทำความรู้เห็นให้แจมแจ้งตามเป็นกิงวางสมมุติทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนือแต่ความรู้แจ้งใน ใจในธาตุลูนะ่นั่นแหละเป็นผู้ถึงที่สุดแหง่งทุกที่สุดแห่งบาปกรรมทั้งหลายธณะ น, นี้มันยังไม่ถึงเนี่ยต้องศึกษาพิจารณาเรื่องบาปเรื่องกรรมหรือศึกษาเรื่องชีวิตของเราที่เรามีชีวิตเป็นอยู่นี่แหละเราเกิดมาทำไมแล้วเราเป็นอยู่อย่างไร แล้วจะดํำรงชีวิตนี่ไปถึงไหนและมีอะไรเป็นสาระแกนสารในชีวิตของเราพิจารณาปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะมันมีอะไรดอกที่จะเอาเป็นสาระประโยชน์แกนสารก็คือเอาปฏิบัติธรรมสติสมาธิและปัญญาให้เข้า ใจรู้ในความเป็นจริงแล้วเขาปล่อยวางทางใจของเราแหละสิ้นสุดบาปกรรมโทษทั้งหลายทั้งปวงจบลงได้ด้วยปัญญาสมาธิปัญญาเห็นชอบเห็นได้อธิบายธรรมะสู่ฟังได้ยินได้ฟังแล้ว สิ่งไหนสัมผัสใจเป็นสิ่งที่สะดุดกับจิตใจของเราเลยก็พินิษพิจารณาไข้ควรเข้าใจด้วยเหตุผลแล้วก็นำไปเร่ยว่ายึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติเรียกว่าหนทางเส้นนี้แหละนี่เหตุผลที่จะตรงไปสู่จุด หมายปลายทางคือการทำที่สุดแห่งทุกข์ให้สิ้นสุดลงได้เข้าใจถึงความทุกข์อันแท้จริงว่าอะไรเป็นทุกข์อย่างยิ่งทุกข์ที่แท้จริงอันไหนเป็นทุกข์หลอกลวงเป็นทุกข์โดยสมมุติเฉยๆไม่ไม่เป็นทุกข์ในสัจธรรม คือสภาพที่สัมผัสกับความจริงให้เข้าใจการพูดถึงความทุกข์ความทุกขบางท่านบางคนก็ไม่เข้าใจเข้าใจความทุกข์หนเข้าใจตั้งแต่ว่าเออเราทุกข์จนไม่มีทรัพย์สินเงินทองต้องการวัตถุสิ่งของอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่มีแต่เข้าใจว่าทุกข์อ น, นั้นมันทุกข์จน คือมันไม่มีตามความอยากแต่ทุกข์ในสัจธรรมหรือทุกข์ที่บีบคั้นอยู่กับกจิตใจมีใจเป็นผู้สัมผัสให้เกิดความครับแค้นใจความเสียใจแล้วให้เกิดมามีพบมีชาติแล้วก็มาทุกข์เพราะชาติความเกิดชราความแก่ายาที่ความเก็บไข่มรณะความตาย นี่ท่านเรียกว่าทุกในทุกขัสัจทุกในสัจธรรมทุกในความจริงนี่ให้มารู้ธรรมะตามเป็นจริงนี่เรียกว่ามารู้ทุกรู้เหให้เกิดทุกรู้ความไม่มีทุกความดับไปแห่งทุกแล้วก็รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขแล้วเราก็ดําเนินประพฤติปฏิบัติตามนั่นก็จะเป็นผู้ได้รับ ผลมาเดินตามมรรคถูกต้องผลก็จะปรากฏสัมผัสกับจิตกับใจของเราในนำธรรมะมาสีแจงแสดงอธิบายให้ฟังจงน้อมนำไปให้ควรพิจารณาอีกแล้วกับพิชิตปฏิบัติจเจริญสติให้ แนวแน่มั่นคงสมาธิตั้งมั่นแนวแน่เป็นตัวของตัวเองจเจริญปัญญาให้เสียบแหลมยกสิ่งทั้งหลายขึ้นมาพินิจพิจรารณายกเรื่องของกายของใจรูปเวทนาสัญญาสังขารอินญาณความรับรู้รับสากตาหูจมูกเลื่อนกายใจมาพินิจพิจารณาค่อยควรให้เป็น อาวานามายปัญญาเข้าถึงความจริงแล้วก็จะเกิดความแจม่มแจ้งด้วยปัญญายาณทัศนะเราก็จะถึงที่สุดแห่งทุกขโดยชอบด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์และบุญกุศลคุณงามความดีบารมีที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มีความ เชื่อมั่นมีความยินดีในธรรมผู้มีความยินดีในธรรมเรียว่าเป็นผู้เจริญมีความดีในการศึกษาธรรมะและประพฤติปฏิบัติตามสายทางแห่งธรรมะจะเป็นผู้มีความเจริญทั้งกายใจเจริญสติปัญญาวิชาความรู้ผู้เกียติธรรมผู้ช่างธรรม จะเป็นผู้ชิบหายจะเป็นผู้มืดมนอนธาการจะตจะตกอยู่ในห้วงแห่งทุกข์ไม่รู้วันเวลาว่าจะสิ้นสุดลงในเวลาไหนนี่เรียกว่าไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นจเจริญด้วยธรรมะด้วยอำนาจแห่งธรรมะปฏิบัติจงเป็นผล เป็นกําลังหนุนนำให้พวกเราท่านทั้งหลายจงได้ประสบความสุขกายสบายใจความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเออ